พระบัญญัติก็ภิกษุใดรับของเคี้ยวหรือของฉันในตระกูลที่ไม่ได้รับสมมติเป็นเสขะเช่นนั้นด้วยมือตอนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่าท่านตั้งหลายกระผมต้องทำคือปาติเทสนิยะเป็นธรรมที่น่าตำหนิไม่เป็นสัปายะกระผมขอแสดงคืนธรรมนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องตระกูลหนึ่งจบ